وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَنَ <الضَّالِّين> เขามูซากล่าวว่าฉันได้กระทำมันโดยที่ฉันไม่รู้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 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَائِيلَ لَٰنِى كُر بُنْ كُنْ ทิท่านลําเลิกมันต่อฉันโดยท่านทําให้วงวานของอิสราเอลเป็นทาส قَالَتِ الرَّءُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ฟิโรห์ได้กล่าวว่าและใครคือพระผู้อธิบานแห่งสากลโลก قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قا موسى กล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่น قال لمن حوله الا تستمعون เขาก็ได้กล่าวแก่ผู้ที่อยู่รอบๆเขาว่า พวกเจ้าได้ยินไหมเขามูซากล่าวว่าพระผู้บิดาของพวกท่านและของบรรพบุรุษสมัยก่อนๆนั้นด้วยเขาฟิรอนกล่าวว่า แท้จริงศาสนทูตของพวกเจ้าที่ได้ถูกส่งมายังพวกเจ้านั้นเป็นคนบ้าอย่างแน่นอนอัลลอฮุร็อบบุลมัชริกวัลมัฆริบวะมาบัยนะฮูมาอินกุนตุมตะอ์กิลูนเขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหาพวกเจ้าใช้สติปัญญาพิจารณา قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين خوف فرعون قال واه หากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขังอย่างแน่นอน قال اولو جئتك بشيء مبين قوم موسى กล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมายังท่านกระนั้นหรือ قال فاتئ بهيكم تا من الصادقين قال فرعون قالوا فجئنا بك بعلامات من ربك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ดังนั้นเขามูซาได้โยนไม้เท้าของเขาแล้วมันก็เป็นงูจริงๆ ونزع يده فإذا هي بيضاء ناضرين และได้ดึงมือของเขาออกมาจากกระเป๋าเสื้อ แล้วมันก็เป็นสีขาวอันเจิดจ้าแก่บรรดาผู้มองดูกอเล للملئ حولهم ان هذا لساحر عليم ฟาโรห์กล่าวแก่คุนานผู้ใหญ่รอบๆเค้าว่าแท้จริงคนนี้เป็นนักเล่นกลที่ช่ำชองยูริด ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون เขาต้องการที่จะให้พวกเจ้าออกจากดินแดนของพวกเจ้าด้วย วิทยากรกลของเขาดังนั้นพวกเจ้าใช้ฉันจัดการอย่างไรกอลูอรจิฮวาอขาฮูวาบะอัซฟิลมะดายินฮาชิรินพวกเขากล่าวว่าจงหนงเหนี่ยวเขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปตามหัวเมืองให้มาชุมนุมกันยะจูกะบิกุลลิซะฮารอาลีมเพื่อที่นักเล่นกลผู้ชำนาญทุกคนจะได้มาหาท่าน فجمع السحره ميقات يوم معلوم لبنادرนักเล่นคนได้มาชุมนุมกันตามวันเวลาที่กำหนดไว้ وقيل للناس هل انتم مجتمعون لقدมีประกาศแก่ผู้คนว่า พวกท่านจะไปชุมนุมด้วยไหม لعله نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين เพื่อพวกเขาจะได้ตามบรรดานักเล่นกลหาพวกเขาเป็นผู้ชนะเมื่อพวกนักเล่นกลมาถึงพวกเขากล่าวแก่ฟาโรห์ว่าพวกเราจะมีรางวัลแน่หรือ หากพวกเราเป็นผู้ชนะออละนะอัมวะอินนะกุมอิซัลละมินัลมุกอรอบีนเค้ากล่าวว่าถูกแล้วและพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอนออละละฮุมมูซาอัลกุมันตุมุลกูนมูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องโยนได้เลย فالقوحبالهم <Fa> وعنصيهم وقالوا بعزه فرعون انا نحن الغالبون لا -na พวกเขาก็ได้โยนบรรดาเชือกและก็ไม้เท้าของพวกเขาโดยที่พวกเขากล่าวว่าด้วยเกียรติยศของฟิรโรดแท้จริงเราเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน تا <Fa> القوم موسى عصا فاذا هي تلقف -ah ما يافكون แล้วมูซาก็ได้โยนไม้ทาวของเขาทันใดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ทําวิทยากลเอาไว้พวกนักเล่นกลจึงก้มลงกราบสุอยู่ออดูอามันนะบิรบอาลามีนรบมูซาวาฮารูนพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระผู้อธิบานแห่งสากลโลก في رب ابيبان لموسى وهارون قال ان منتم له قبل ان اادن لكم انه لكبركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قف فرعون كلا وا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 พวกเขากล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกแท้จริงพวกเรานั้นต้องกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเราอินนานตมะอัยฆิรละนาร็อบบะนาคอฏอยานาอั๊นกุนนาอะวัลัลมุอ์มินีนแท้จริงเราปรารถนาที่จะให้พระผู้อภิบาลของเราทรงยกโทษให้แก่เรา เพราะเราเป็นกลุ่มชนแรกที่ศรัทธา وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ และเราได้องค์การให้มูซาออกเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมกับปวงบ่าวของข้าแท้จริงเจ้ากำลังถูกติดตาม وَأَوْحَىٰ سَالِكَ الْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ และฟิรอูนได้ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆให้มาร่วมจุมลุอินนะฮาอูลาอิละชิดมะตกะลีลูนแล้วว่าแท้จริงเค้าเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยวะอินนะฮุมละนาละฆออิดูนและแท้จริงพวกเค้าได้ทําให้เราเกิดภูษาวะอินนาละญะมีอฮาเธรูนและแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ดังนั้นเราอัลเลาะห์ได้ให้พวกเขาออกจากเรื่องสวนและลำธารน้ำ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ และทรัพย์สินอันมากมายและที่พำนักอันโออ่า كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ เช่นนั้นแหละเราได้วงวานอิสราเอลได้รับมรดกครอบครองมันและอัจบออฮุมมุชริกีนและฟาโรห์ได้ติดตามไปทันวงวานอิสราเอลเมื่อตะวันทอแสงและลัมมาตะรออัลจัมอานีกาลอัศฮาบมูซาอินนาลามุดรอคุนคันเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกันพวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริง เราถูกตามทันแล้วกาลันกัลลออินมาอียรบีซัยฮีนเขามูซาได้กล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์ทรงชี้ทางนําให้แก่ฉันและอูไฮนาอลามูซาอินดริบบิอสากัลบหร فَثَلَقَ فَكَانَ الْكُلُّ كِدَقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ ذَنْ นั้นเราได้องค์การแก่มูซาว่าจงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออกแต่ละข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ لَنَا دَايْ พวกอื่นเข้ามาใกล้ณที่นั้น وَأَجِيْنَا ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ แท้จริงในการนี้เป็นสัญญาณอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า พวกจงเมตตาเสมอวัตลูอะลัยฮิมนบะออิบรอฮีมละจงอ่านเรื่องราวของอิบรอฮีมให้พวกเขาฟังอิกอละลิอบีฮีวะเกามิฮีมาตะอ์บุดูนขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเคารพภาคดีอะไรกันออนูนะบุดูอัศนามะฟะนะซัลลาฮาอาคิฟีน พวกเขากล่าวว่าเราเคารพภักดีรูปบั้นแล้วเราจะยังคงยึดมั่นตลอดไปอัลละฮฺยัสมาอูนุกุมอิซตะดออูนเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมันได้ยินพวกเจ้าหรือไม่อะยูฟะอูนุกุมอะยูดรูน หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้ามั้ยอาลูบัลวัจดนาอาบา انا كذلك يفعلون พวกเขากล่าวว่าแต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้นอะลาอะฟะไรตุมากุนตุม ta'budun เขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีอยู่ انتم وآباؤكم الأقدمون ทั้งตัวของพวกเจ้าเองและบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนการนั้น لا انهم عدو ل الا رب العالمين แท้จริงพวกเขาคือศัตรูของฉันนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก الذي خلقني فهو يهدي ซึ่งพระองค์ทรงสร้างฉันแล้วพระองค์ทรงชี้ทางนําให้แก่ฉันวัลลซีฮูวิตออมุนีวะยัสกีนและพระองค์ทรงประทานอาหารให้แก่ฉันและทรงให้น้ําดื่มแก่ฉันวะอิซามะริฎตุฟะฮูวะยัชฟีนและเมื่อฉันป่วยพระองค์ก็ทรงให้ฉันหายป่วยวัลลซียูมิตูนีซุมมายุฮีนและพระองค์ทรงให้ฉันตายแล้วทรงให้ฉันเป็น والذي أعطى مع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ลาพูติชันหวังว่าจะทรงอภัยความผิดให้แก่ฉันในวันแห่งการตอบแทนรบีฮบีฮบีฮุกมาวะลฮิกุนิบิสศอลิฮีนโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลาย واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين لاسوني ฉันได้รับการรำลึกอย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อๆไป واجعل لي من ورثه جنة النعيم لاส่งทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่น واغفر لي ابي انه كان من الضالين และทรงประทานอภัยให้แก่บิดาของฉันด้วยแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิดวะลาทุซซินิยะอ์มะยุบะอ์ซูนและทรงใหญ่ฉันได้รับความอัปยศในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนจิตเยอมะลายันฟะอ์มาลูวะลาบะนูนวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดได้เลยอิลลามันอะตัลลาฮะบิกัลบิซะลีม เว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลเลาะห์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์วาอูซนีฟัติลญันนะฮ์ลิลมุตตะกีนละสวนสวรรค์จะถูกนํามาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงวาบุรดิซัติลญะฮีมลิลฆาวีนละนรกจะถูกเผยให้เห็นแก่ผู้ทําชั่ววากีละละฮุมไอนะมากุนตุมตะอบูดูนมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าที่เจ้าเคารพภักดี مِن دُونِ اللَّهِ هَل يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ إِنَّ جَكَّ اللَّهُ فَوْق مَنَّتَ شُؤْلِهُ وَلَكُم بِكِ بُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَلَكُمَّ جُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَلَطَائِفُ إِبْلِيسَ تَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون พวกเขากล่าวขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ในนั้น تالله ان كنا في ضلال مبين ขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง إذ نسوكم برب العالمين ขณะที่เราทําให้พวกเจ้า เท่าเทียมกับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวะมาอฎลลนาอิลัลมุญริมูนและไม่มีผู้ใดทําให้พวกเขาหลงผิดนอกจากพวกทําผิดเท่านั้นซะนาลลนามินชาฟิอีนดังนั้นจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือแก่เราวะลาศอดีกิงฮามีมและไม่มีมิตรแท้ด้วยละอันนัลลนากอรตะฟะนากูนมินัลมุอ์มินีน ฉะนั้นหากเราได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาอินนาฟีฎอลิกะลายะวะมากานอักตารุมมูอ์มินีนแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาวะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีมและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุ่มชนของนูห์ได้ปฏิเสธบรรดารอซูลอิซกาละละฮุมอะคูฮุมนูห์อะลาตัตกูนขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือนูห์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีละกุมรอซูลอามีน ัตตักุลลอฮฺวะอฏีอูนแท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺและเชื่อฟังฉันเถิดวะมาอัสอลิกุมอะลัยฮิมินอัจรฺอินอัจรฺยะอิลาอะลาร็อบบิลอาละมีนและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลย ค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้นนะตะกุลลอฮะวะอะติอูนดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและจงเชื่อฟังฉันพวกเขากล่าวว่าจะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกต่ำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่านออลาวะมาอิลม์บิมากานูยะอ์มะลูน อูนุสกล่าวว่าฉันไม่มีความรู้อันใดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันอินฮิซาบุมอิลลาอะลาร็อบบีลาวตัชอรูนการตอบแทนของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดนอกจากอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันหากพวกเจ้ารู้และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธา แต่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าโอ้นูห์หากท่านไม่หยุดยังแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขว้างด้วยก้อนหินออรบีอินนาเตามีกัซซะบูนเขานูห์กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน แท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ปฏิเสธฉันดังนั้นขอพระองค์ทรงตัด ได้ช่วยเขาและผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปี่ยมแล้วเราอัลเลาะห์ได้พวกที่เหลืออยู่จมน้ําตายอินนาฟีดาลิกะลายะฮ์วะมากานะอักษารุมมูอ์มินีนแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมาก ไม่เป็นผู้สัพพะวะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซอัรเราะฮีมพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอกะซะบัตอาดูนิลมุรซะลีนกลุ่มชนของอารได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตอินกอละละฮุมอะคูฮุมฮูดอะลาตัตตะกูนขณะที่พี่น้องของเขาคนหนึ่งคือฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีลากุมรอซูลุนอามีนถ้าจริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าตะตัลลอฮะวาอะติอูนดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถอะวะมาอัสอลุคุมอะลัยฮิมินอัจรอินอัจรียะอิลลาอะลาร็อบบิลอาละมีนและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลย คำตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลละโลกเท่าพวกเจ้าสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนที่สูงทุกแห่งเพื่อโอ้อวดกันนั้นหรือว่าตะถิซูนมะซานิอะลันละฮุมตะคุนดูน และพวกเจ้าสร้างเครือหาดราเหมือนกับว่าพวกเจ้าจะอยู่อย่างตลอดกาลกระนั้นรึและเมื่อพวกเจ้าทำร้ายผู้ใดพวกเจ้าก็จะกระทำอย่างทารุณโหดร้ายดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์และเชื่อฟังฉันเถิด แล้วพวกเจ้าจงยำเกรงผู้ทรงประทานสิ่งที่พวกเจ้ารู้ดีอยู่แล้วให้แก่พวกเจ้าพรอมทรงประทานปศุสัตว์และลูกหลานให้แก่พวกเจ้าด้วยและสวนอันหลากหลายและลำธารหลายแห่งถ้าจริงฉันกลัวว่า พวกเจ้าจะได้รับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่พวกเขากล่าวว่ามีผลเท่ากันแก่เราท่านจะตักเตือนหรือไม่ตักเตือนเราก็ต่างอินฮาซาอิลาคุลุกุลออวาลีนวะมานะห์นุบิมออัซซะบีนนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อนๆ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 และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุ่มชนของสมูดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอเลห์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีลัคุมรอซูลอามีน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าตะตะกุลลอฮะวะอะติอูนดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิดวะมาอัสอลิกุมอะลัยฮิมินอัจรอินอัจรียะอิลลาอะลาร็อบบิลอาลามีนและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉัน <gracias> ไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้นเอ่อจุตรคูนะฟีมาฮาฮุนาอามีนีนพวกเจ้าจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างปลอดภัยณที่นี้หรือในสวนอันหลากหลายและลำธารหลายแห่งวะซูรุอุนวะนัคหลินตัลอะฮาฮะดีมและไรนาและต้นอินทผลัมซึ่งกิ่งก้านของมันสุกงอม وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ لاพวกเจ้าสกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความชำนาญ فَتَقُ اللهَ وَأَطِيعُونَ ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ และจงอย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝืน ผู้ที่ทําความเสื่อมเสียในแผ่นดินและไม่เป็นพวกพัฒนากอลูอินนะมาอันตะมินัลมุซฮารีนพวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคมมาอันตะอิลลาบัชรุมมิตนุนาฟอาติบายะตินอินกุนตะมินัศซอดิกีนท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราดังนั้น ต้องนํามาสรรคสัญญาณนี้หากท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงออละฮาซีนากะตุลาฮาชิดดวะละกุมชิดดยอมมะอ์ลูมเค้ากล่าวว่านี่คืออูตัวเมียสําหรับมันดื่มน้ําวันหนึ่งและสําหรับพวกท่านก็ดื่มน้ําวันหนึ่งเป็นที่รู้กันวะลาตะมัสซูฮาบิซูอ์อินฟะยาคุดุกุมอะซาบยอมนะอ์ดิม แล้วพวกเจ้าจงอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มันมิฉะนั้นการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้าและพวกเขาได้ฆ่ามันพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผู้เศร้าโศกเสียใจฉะนั้นการลงโทษจึงได้ประสบแก่พวกเขา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 กลุ่มชนของลูทได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือลูทได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีลักุมรอซูลอามีนแท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สําหรับพวกเจ้าตักุลลาฮะวาอะติอูนดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์และเชื่อฝังฉันเถอะ وَمَا أَسْأَلُ ثُمَّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لَجَنَّ مَيْได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้า ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น أَجَ تُذَكِّرُونَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ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 หากท่านไม่หยุดยั้งแน่นอนท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะถูกขับไล่ให้ออกไปออลออินนีลิอามัลกุมมินัลกาลีนเขารูดกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เกลียดการกระทำของพวกเจ้ารบบินัจญีนีวะอะห์ลีมินมายะอ์มะลูนโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงช่วยฉันและบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขากระทำกับ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ دونك จากหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งนางอยู่ในหมู่ผู้ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ لَرَاوَدَهَا ฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ตักเตือนมันช่างชั่วร้ายเสียนี่กระไร إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน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 ขณะที่ซุอัยน์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีลากุมรอซูลุนอามีนฟัตตักุลลอฮะวาอฏีอูนแท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สําหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์และเชื่อฟังฉันเถิด